อย่างเช่นในสามัญญผลสูตรว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าอาชาศัตรูผู้มีบุญญาธิการเหนือมนุษย์ทั้งทวีคือครองบัลลังก์พระราชาได้แถมอุตสามีสิทธิ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเสียแต่พระเอิญก่อนหน้านั้นเวรกรรมชักนำให้ต้องรู้จักกับพระเทวทัตถูกยุโยงให้เห็นผิดเป็นชอบแย่งชิงราชสมบัติจากเสด็จพ่อของตัวเอง และแม้พระบิดายกสมบัติให้ยังไม่หวายกังวลจะถูกแย่งคืนถูกพระเทวทัต ย, ยุให้ปลงพระชนเสียเพื่อความแน่นอนกว่าและพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นประเภทบาจียุขึ้นเสียด้วยไปไปมามานามือตามัวฆ่าพ่อตัวเองจนได้การฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นต่อให้สำนึกผิดก็สายเกิน ต้องไปนรกลูกเดียวห้ามสวรรค์นิพพานหมดสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุหลังจากพระเจ้าอาชาติศัตรูมาเข้าเฝ้าและกราบทูลลากลับว่าพระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้วพระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วหากเขาเธอไม่ปลงพระชนชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรมก็จะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นผู้บรรลุธรรมต่อหน้าเราตถาคตทีเดียวนี่เป็นตัวอย่างของคนบุญมากเข้าขั้นมีสิทธิ์บรรลุธรรมต่อเบื้องพระพักแต่ดันหลงเขลาไปทำกรรมหนักที่ปิดกั้นสวรรค์นิพพานเสียก่อนนับว่าเคราะห์ร้ายสาหัส ต, ต้องเลื่อนเวลาไปใช้กรรมในนรกให้หมดหมดถึงจะมีสิทธิใหม่แล้วในอนาคตอันไม่เป็นที่รู้ จะมีอะไรประกันว่าเราจะไม่พลาดแบบพระเจ้าอาชาติศัตรูนอกจากความไม่แน่นอนของตัวเราเองแล้วยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกําลังพระหัตไทยแห่งองค์าศาสดาแต่ละสมัยด้วยในคำภีร์มหาวิพังมีผู้ทูลถามว่าเหตุใดศาสนาของพระผู้มีพระภาคบางพระองค์จึงอายุสั้นนัก พระศาสดาของเราตรัสตอบด้วยพระยานรู้เห็นอดีตเบื้องไกลพอสรุปใจความสำคัญได้ว่าดูก่อนสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีสิกขีและเวสภูทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายความรู้ที่ประทานไว้นั้นมีน้อยข้อศีลวินัยก็มิได้ทรงบัญญัติ ปาติโมกก็ไม่ได้ส่งแสดงเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นอันตรทานแล้วสาวกต่างเหล่าต่างกอจึงทําพระศาสนาให้อันตรทานตามพระองค์ไปในเวลาอันสั้นหากสงสัยว่าพุทธศาสนาที่มีอายุสั้นนั้นพระศาสดาท่านโปรดสอนสาวกอย่างไรก็ต้องตอบว่าสอนแบบใช้ยานรู้วาระจิตแล้วสอนเฉพาะคนตรงๆ ใครคิดผิดก็ทักใครเดินจิตถูกก็สนับสนุนดังพระพุทธองค์ของเราตรัสไว้ดูก่อนสารีบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสภูทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระหฤทัยแล้วทรงสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูปในแนวป่าอันน่าสะพรงกลัวแห่งหนึ่ง เช่นตรัสว่าพวกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนั้นพวกเธอจงทำในใจอย่างนี้อย่าได้ทำในใจอย่างนั้นจงละส่วนนั้นแล้วเข้าถึงส่วนนี้อยู่เถิดด้วยการสอนเช่นนี้ในเวลาต่อมาจิตของภิกษุประมาณพันรูปดังกล่าวก็ได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสมักมุมในสันดานทั้งหลาย สรุปคือถ้ามีวาสนาพอจะพบพุทธศาสนาบางครั้งต้องบวชเป็นภิกษุและใจถึงพอจะเข้าไปอยู่ในป่าอันน่าพรั่นพรึงชวนขนหัวลุกร่วมกับพระศาสดาจึงจะได้รับพระกรุณาสอนจากจิตถึงจิตไม่ใช่เป็นเศรษฐีมีชีวิตสุขสบายแห่ขบวนไปกราบท่านแล้วจะได้รับการสอนแบบพิเศษง่ายๆกันทุกคน อีกข้อสังเกตคือด้วยวิธีสอนแบบตรงตัวตรงวาราจิตของพระสัส ด, สดาไม่มีการสืบทอดคำสอนโดยพิสดารไม่มีการบัญญัติกฎระเบียบ ว, วินัยสงเป็นกิจจะลักษณะไม่มีการถ่ายทอดความรู้ออกสู่วงกว้างนั่นหมายความว่าใครเกิดทันพระพุทธเจ้าสมัยนั้นแล้วไม่อยู่ใกล้พระองค์ท่านก็นับว่ามีโอกาสปฏิบัติธรรมถึงความหลุดพ้นได้ยากยิ่ง ในทางกลับกันเมื่อมีการบันทึกคำสอนพระาศาสดาไว้อย่างละเอียดละออก็แปลว่าคนรุ่นต่อๆมามีสิทธิ์จะเข้าถึงธรรมตามอั ต, ตภาพใครขยันใครทำถูกตามคำสอนของพระาศาสดาก็เอามักผลไปต่อให้ไม่เคยพบแม้แต่อรหันตสาวกของพระองค์ท่านก็ตามพูดง่ายๆว่าเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์ โอกาสศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะยังอาจจะน้อยกว่าสมัยนี้ของเราที่พระศาสดาสเสด็จดับขันอันตรธานไปจากโลกนี้แล้วด้วยซ้ำฉันมีกำลังใจยิ่งขึ้นเมื่อพบร่องรอยว่าตัวตนส่วนหนึ่งของพระพุทธองค์ยังคงดำรงอยู่เมื่ออ่านพบพระวจนะในมหาปริณิพานสูตรความว่า ธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปแปลว่าถ้าเจอคนศาสนาอื่นมาสอบถามว่าศา ส, สดาของท่านเป็นใครศา ส, สดาของท่านยังอยู่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าศา ส, สดาของเราคือพระพุทธเจ้าและท่านยังอยู่นั่นก็คือพระไตรปิฎกที่ชาวไทยรู้จักกันดี ว่าเป็นคำภีสืบทอดบันทึกคำสอนของพระาศาสดานั่นเองส่วนปัญหาที่ว่าคนยุคเราเป็นผู้มีปัญญาสามวาสนาน้อยหรือหมดสิทธิรู้จักมรรคนิพพานเป็นความจริงหรือไม่นั้นประการแรกต้องดูว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนพูดบอกต่อรวมทั้งใครเป็นคนเชื่อถือประการที่สอง ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสิทธิในการถึงมรรคถึงผลไว้อย่างไรฉันสืบสืบแล้วพบว่ากลุ่มของผู้ที่เชื่อว่าล้าสมัยนั้นได้รับอิทธิพลทางความคิดแบบสืบสืบกันมาหาใช่ว่ามีตัวตนผู้พูดประกาศคนแรกอย่างแท้จริงไม่กลุ่มของผู้เชื่อเช่นนี้อาจออกไปทางศรัทธาจริ ชนิดใครพูดอะไรก็เชื่อหรืออาจหนักไปทางปัญญาจริตชอบคิดคาดคะเนสแสวงความรู้จนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำว่าปัญญากล่าวคือพุทธิปัญญาขั้นสูงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคือความสามารถเห็นธรรมชาติเกิดดับไม่น่ายึดมั่นถือมัน่นใครฝึกจริงจังถูกต้องเมื่อไหร่ก็เห็นจริงได้เมื่อนั้น ไม่จำกัดการแต่อย่างใดแต่พุทธิปัญญาสำหรับคนรุ่นใหม่อาจหมายถึงความรู้ความเข้าใจในธรรมะยากๆแจ่มแจ้งตลอดสายรวมทั้งมีการปลูกฝังความเชื่อกันว่าใครยิ่งรู้มากก็จะยิ่งเป็นสเสบียงหรือทุนรอนติดตัวต่อไปเกิดในพุทธการครั้งหน้าฟังธรรมะต่อเบื้องพระพักแล้วจะบรรลุธรรมง่ายได เมื่อนิยามของปัญญาผิดย่อมไม่ขวนขวายพิสูจน์จนเกิดปัญญาแบบพุท ธ, ธะที่แท้ความเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดและนรกสวรรค์มีจริงก็ดีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ดีความเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงก็ดีล้นวนแล้วแต่เป็นศรัทธาพุทธเราเป็นศาสนาที่ฐานเป็นศรัทธาแต่ยอดเป็นปัญญาพูดง่ายๆว่า พิสูจน์ศรัทธาให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยปัญญาในชาติปัจจุบันต่างจากศาสนาอื่นที่ฐานเป็นศรัทธาแล้วยอดก็ยังเป็นศรัทธาอยู่อีกหลายเรื่องไม่อาจพิสูจนจนกว่าจะตายเสียก่อนหากพุทธเรารักษาไว้แต่เพียงศรัทธาความเชื่อจะมีข้อแตกต่างจากศาสนาอื่นที่ตรงไหนฉันค้นคว้าอยู่ไม่นาน ก็พบข้อความยืนยันให้อุ่นใจว่าแนวทางอันเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปเพื่อบรรลุมรรคผลนั้นไม่จำกัดการไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุเห็นได้จากที่พระพุทธองค์ยืนยันด้วยพระองค์เองในมหาสติปัฐานสูตรความว่าใครก็ตามที่เจริญสติปัฐานทั้งสีนี้ให้ตลอด เขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหันตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภายในเวลาเจ็ดปีหรือหกปีหรือห้าปีหรือสี่ปีหรือสามปีหรือสองปีหรือหนึ่งปีหรือเจ็ดเดือนหรือหกเดือนหรือห้าเดือนหรือสี่เดือนหรือสมเดือน หรือสองเดือนหรือหนึ่งเดือนหรือสิบห้าวันหรือเจ็ดวันพูดให้ง่ายคือใครมีกายและปัญญาแบบมนุษย์มีกำลังปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธองค์แสดงไว้และยังคงบันทึกสืบทอดมาถึงทุกวันนี้อย่างช้าเจดปีอย่างพอดีเจ็ดเดือนและอย่างเร็วเจดวันเป็นต้องรู้จากภาวะหลุดพ้นแห่งใจ ชนิดไม่กลับกำเริบเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งสืบค้นดูทั่วแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสไว้ที่ไหนเลยว่าเมื่อการล่วงไปหรือหลังพุทธปรินิพานแล้วจะมีข้อจำกัดในการบรรลุมรรคผลเพิ่มขึ้นในการตรัสเชิงพยากรณ์นั้นท่านเพียงระบุไว้ในมหาปรินิพานสูตรว่าตรบาบใดภิกษุยังประพฤติ ธ, ธรรมโดยชอบตราบนั้น โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยซึ่งก็แปลได้อย่างเดียวคือถ้าอย่างทำก็ต้องได้สรุปคือมรรคผลจะล้าสมัยต่อเมื่อไม่มีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับช่วงสมัยที่ผู้ปัญญาสามมาเกิดมากแต่อย่างใดเลยสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสเสมอว่า สัตธรรมที่พระองค์ค้นพบและเผยแผ่นั้นควรน้อมเข้ามาดูเป็นของไม่จำกัดการมาพิจารณาโลกยุคปัจจุบันตามจริงถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคือมีน้อยคนจะศึกษาเข้าใจและทรงจำหลักการสติปัฏฐานสี่ได้ครบถ้วนและยิ่งน้อยที่ปฏิบัติกันจริงจังตลอดสายก็ไม่น่าแปลกใจ หากจำนวนผู้บรรลุธรรมเป็นประจักษ์พย า, ยานให้พระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นของหายากแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกประเด็นสำคัญสำหรับฉันคือวิธีปฏิบัติยังถูกรักษาไว้ครบถ้วนถ้าศึกษาจนเข้าใจและนำมาปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้ผลภายในเจ็ดปีเป็นอย่างช้าต่อให้บารมีอ่อนแสนอ่อนอย่างไรก็ตาม ฉันตกลงปลงใจเด็ดขาดว่าจะยึดพระพุทธเจ้าเป็นครูคนสุดท้ายท่านตรัสว่าอย่างไรจะปฏิบัติตามเพื่อให้เห็นผลจริงโดยไม่หวังทางลัดเช่นผู้วิเศษบรรดบนบรรดาลให้บรรลุธรรมได้ในแวบเดียวรวมทั้งไม่ไปทางอ้อมเช่นรอพบพระพุทธเจ้าในพุทธการต่อไปซึ่งจะนานสักกี่แสนกี่ล้านปีก็ไม่ทราบ ฉันจะถือเอาประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนความรู้ไว้มากมายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อไว้ก่อนว่าเพียงพอต่อการพิสูจน์ด้วยตนเองทำาแม้ความเชื่อของฉันผิดพลาดยังมากก็เสียเวลาเจดปีในชีวิตแต่ถ้าความเชื่อของฉันถูกแปลว่าฉันกำลังจะเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตมนุษย์คุ้มที่สุดในโลก นั่นคือใช้ชีวิตเพื่อลืมตาตื่นขึ้นรู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองอย่างไม่เคยมีอะไรเทียบเย็นวันหนึ่งฉันประนมมืออธิษฐานดังดังต่อหน้าพระปฏิมาทองอารามว่าหากชาตินี้พลาดมรรคผลไปเพราะเป็นหนึ่งในผู้มีปัญญาสามไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมดังคำปรามาทของชาวพุทธบางส่วนก็ขอให้ชาติหน้า มีนิสัยเอาจริงปฏิบัติสติปัฏฐานสให้สมค่าอัตภาพมนุษย์ไปจนชั่วชีวิตทุกครั้งเหมือนเช่นที่ตั้งใจจะทำในชาตินี้ด้วยเถิดจากการศึกษาเรื่องกรรมอย่างละเอียดฉันเชื่อว่านิสัยจะเป็นสิ่งติดตัวข้ามพบข้ามชาติมนุษย์เป็นภูมิมีศักยภาพในการสร้างนิสัยสั่งสมไว้อย่างไร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 ฉันปลงใจเชื่อว่าสร้างนิสัยไว้อย่างนี้เป็นอาจินหรือที่เรียกว่าอาจินนกรรมหากมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์อาจินนกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้ย่อมส่งให้ไปเกิดกับพ่อแม่แบบนี้มีเหตุปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่ไวเด็กส่งเสริมให้เข้าลู่ทางของความเป็นเช่นนี้รวมทั้งมีกำลังกายและแรงบันดาลใจ ให้มุ่งมั่นเพียรเพื่อหลุดพ้นอย่างเอาจริงเอาจังเช่นนี้อีกต่างจากการปรงใจเชื่อไปตลอดชีวิตว่าตัวเองไม่มีทางบรรลุมรคผลได้ในชาติปัจจุบันก่อมโนกรรมย้ำคิดย้ำเชื่อเป็นอาจินก็ย่อมฝังแน่นติดจิตติดวิญญาณไปแล้วเจอเหตุปัจจัยให้คิดแบบเดียวกันนี้อีกและอีกไม่รู้จบรู้สิน้นเป็นต้นว่า ต่อให้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติก็ไปเกิดห่างจากท่านและฟังคำคนที่ทำให้ท้อก่อนทำให้เห็นมรรคผลเป็นของสูงเกินเอื้อมหรือแม้ฟังธรรมแล้วก็อยากอธิษฐานไปบรรลุเอาเบื้องหน้าแทนที่โอกาสมาถึงแล้วจะเฉวยไว้ดังปรากฏให้เห็นตัวอย่างผู้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าอารหันต์แล้วหวังผลเป็นสวรรค์นิพพาน หลังจากตายไปแล้วมากมายก่ายกอง